ขอร่วกับท่านพระเทรามเทระเจ้าคนะภาครองเจ้าคณภาคเป็นต้นและขอแสดงความนับถือแต่ท่านว่าที่พระอุปัชฌาย์ุกรุตในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้บรรยาย ในครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ ม, มหาธิรสมาคมในเรื่องหน้าที่พระอุปชาซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบทั้งภาคปฏิบัติและข้อเขียนของท่านทั้งหลายเมื่อ ได้รับมอบหมายให้บรรยายครั้งแรกเนี่ยท่านให้สองชัมม่วโมงเพราะว่ามันเป็นเรื่องระเบียบที่มีเนื้อหายเยอะแต่ต่อมาเวลามันไม่พอในการกระจายบรรยายเรื่องกฎเรื่องอะไรต่างที่ประชุมสมัชชามหาคณิสอนก็ถามผมว่า หนึ่งชั่วโมงบรรยายได้ไหมผมก็บอกว่าได้แต่นึกในใจว่าต้องมีภาพขึ้นจอด้วยถ้าไม่มีการนำเสนอเป็น powerpoint บนจอบรรยายไม่ทันเพราะว่ามันมีภาษิตว่า ภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพันคำแทนที่จะบรรยายไปหนึ่งพันคำใช้ภาพภาพเดียวเนี่ยประหยัดเวลานั่นคือเรื่องที่หนึ่งว่าทำไมต้องมีการขึ้นจอเพราะเนื้อหายเยอะเรื่องที่สอง วันนี้ผมรวมเอาเวลาการบรรยายพิเศษมาเพิ่มบวกกับการบรรยายปกติเพราะมีประเด็นที่สำคัญที่ไม่ใช่แค่บรรยายพิเศษแต่เป็นเรื่องที่ต้องสําเนีย ต้องสำนึกซึ่งบังเอิญว่า <c oughs> การอบรม อ, อุปชารุ่นนี้เนี่ย <c oughs> เป็นรุ่นที่ต้องสำเนียดมากๆในเรื่องนั้นก่อนนี้ก็ไม่มีการพูดถึงกันฉะนั้น <c oughs> ผมก็คุยกับท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลีแล้ว <c oughs> ว่าจะขอนำมาพูด ในเรื่องหน้าที่พระอุปัชฌาย์เป็นเรื่องอะไรท่านก็ติดตามนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงผนวกเวลาเข้าด้วยกันเมื่อรวมเอาประเด็นต่างๆเข้าด้วยกันเนี่ยก็จะเข้าเรื่องในการบรรยายเวลาที่ท่านมานั่งฟัง ก็ต้องจดด้วยนะครับมันไม่ได้หมายถึงแค่สอบแต่มันหมายถึงนำไปอ้างอิงเวลาไปเป็นพระอุปัชฌาย์จริงๆบางเรื่องบางอย่างไม่แน่ใจเราบันทึกเอาไว้ว่าควรจะทำอย่างไรมีคำตอบจากวิทยากรเราอาจจะลืมในอนาคตก็จดไว้ เราเรียกว่าจดจำจำไว้ดีกว่าจดแต่ถ้าจำไม่หมดจดไว้ดีกว่าจำทำไมเราจึงต้องมีการมาฝึกซ้อมอบรมพระอุปชาซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ได้ทราบจากเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่ผลกลาง ได้กล่าวในวันปฐมนิเท์ว่าเป็นเพราะเจ้าคณะภาคทุกภาคมีมติตามที่เจประคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วสัมพยาได้ชักได้แนะนำให้มาทำร่วมกันในนามสมัชชามหาคณิสสอด การมาฝึกอบรมร่วมกันเป็นเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ในพระวินัยปิฎกเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองรวมไปถึงการจะปฏิบัติหน้าที่พระอุปชาได้ต้องมีการแต่งตั้ง ถ้าเป็นอุปชาวิสามันก็ต้องมีพระบัญชาใบแต่งตั้งการแต่งตั้งเป็นเรื่องที่กำหนดในกฎหมายไม่ได้อยู่ในพระวินัยปิดกฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยเรามักพระสมัยก่อน ท่านไม่ชินกับระบบนี้ว่าจะเป็นพระประชาได้ต้องมีตราตั้งท่านเคยบวชกันมาอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นปรากฏว่าผิดกฎหมายกฎหมายฉบับแรกที่ออกมาคือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รอศหนึ่งสองหนึ่งสองพันสี่ร้อยสี่สิบห้า กำหนดให้มีการแต่งตั้งพระอุปชาใครที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งไปเป็นอุปชาให้การบรรพชาอุปสมบทมีโทษตามกฎหมายพระสงฆ์ก็ตั้งคำถามว่าทำไมทำไมต้องทำตามในเมื่อพระพุทธเจ้าก็ ประธานอนุญาตให้ภิกษุที่มีความพรรษาพ้นสิทมีความรู้มีความสามารถเหมาะสมเป็นพระอุปัชฌาย์ได้สมเด็จพระมหาสมาเจ้ากรมภรรยาวชัชรยานวโรรถปฏิบัติหน้าที่ประธานมหาธิรสมาคมในสมัยโน้นได้ทรงมีคำอธิบายประธานคำอธิบาย เป็นลายลักษณ์อักษรว่าทำไมพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์โดยที่พระองค์ได้มีลิขิตว่าภิกษุสงฆ์มีกฎหมายอันจะพึงฟังนะครับไม่ใช่พึงพึงฟังอยู่สามประเภทคือกฎหมายแผ่นดินหนึ่ง พระวินัยหนึ่งจารีตหนึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแผน่นดินพระวินัยจารีตมาอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นเ่าบุชาเราปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศสองพันห้าร้อยห้า แก้ไขเพิ่มเติม 2,135 ท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามพระวินัยพันสาพ้นสิบและตามมาติสมัชชามหาคณิสอนต้องมีพันสาเท่าไรอีกอย่างน้อยการฝึกซ้อมกรรมาวาจาขั้นตอนการบวชเป็นไปตามพระวินัย จารีตถือการซ้อมฝึกซ้อมแล็กสอบปฏิบัติตามจารีตจารีตก็คือสิ่งที่เป็นประเพณีถือปฏิบัติสืบสืบกันมาจารีตในการให้การอุปสมบทสมัยหนึ่งเนี่ยบางวัดใช้อุกาศา บางวัดใช้เอสาหังแต่มาในการสอบครั้งนี้และครั้งห ล, หลายครั้งก่อนนี้ให้ใช้อุกาศโดยอุกาศนั้นเป็นจารีตที่คณะสงฆ์ไทยใช้ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย หลักฐานประการหนึ่งก็คือเมื่อทนะสงศหลัง ก, กาใกล้จะสิ้นศูญไม่มีอุปัชาไม่มีพระอันดักเพียงพอได้ส่งทูตมานิมนต์อุปชาจากสยามกรุงศรีอยุธยาไปบวช ส, สามเณรสารนังกร เมื่อหนึ่งร้อยเอ่อเมื่อสองร้อยกสิบกว่าปีมาแล้วโดยพระเจ้าแผ่นดินของสยามของกรุงศรีสยากได้ท่งพระอุปชาและพระอันดับไปบวชสมมเณรที่ศรีรังกาเพราะตอนนั้นอุปชาก็ไม่มี พระอันดับก็ไป ม, มีเนื่องจากภัยศาสนาโดยเฉพาะการรุกรานของต่างชาติศีรกาเลือกสยามหรือประเทศไทยก็ด้วยเหตุที่ว่ายังรักษาขนบประเพณีจารีตของการอุปสมบทแบบลังกาวงมาไว้เขาไม่ได้ถือว่า เป็นแบบของประเทศไทยเขาถือว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยรับมาจากลังกาวงในสมัยพ่อคุณลังคำแหงมหาราชที่นิบนมหาเถรสังคราชจากนกครศรีธรรมราชซึ่งไปบวชมาจากลังกาเนี่ยมานั่งอุปชาบวชในสุโขทัย และสืบทอดเป็นจารีตในการอุปสมบทมาจนเมื่อถึงเมื่อสอง้อยหกสิบปีที่แล้วอุปสมปทาวงของศีลังกาขาดศูนย์ทางกรรษัตริย์ศีรการพระเจ้ากิรติราชสิงหะักส่งทูตมานิมนต์พระสงฆ์ไทยนำโดยพระอุบาลี ไปไปเริ่มอุปสมปทาวงใหม่ใช้การกรรมวาจาบรรพชาอุปสมบทแบบที่เคยรับมาจากลังกาลังกาในสมัยสุขโขทยัยต่อมาถึงอายุทยาก็ไปฟื้นสมณวงศ์ที่ลังกา สมณวงศ์ที่รับการบวชจากอายุธยากรุงศรีอยุธยาโดยเริ่มที่สมณนสรนังกรของหลังกาสมณนสรนังกรต่อมาได้เป็นพระสังฆราชของหลังกาและก็สืบทอดมาเป็น คณะสง์หลังกานิกายใหญ่ที่สุดในศีลังกาปัจจุบันชื่อของนิกายนี้ในศีลังกาชื่อว่าสยามนิกายมีมหานายกะคือสังฆนายกสองรูปฝ่ายคามวาสีกับอรัญวาสี ฝ่ายมัลลวัตตะกับอสคริยะเวลามาประเทศไทยเนี่ยเราจะรู้จักสองรูปเนี่ยชื่อเต็มของนิกายนี้ว่าสยามโมปาลีมหานิกายสยามอุบาลีมหานิกายก็คือสยามโมปาลีมหานิกายมหานายกะ หรือสังขนายกของสองนิกายนี้ถือกุญแจเก็บพระาธาตุขี้แก้วที่เมืองแคนดี้ห้าปีเปิดครั้งหนึ่งถือว่าเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลในคณะสงฆ์สีหลังกาเมื่อเฉลสองร้อยห้าสิบปีความสัมพันธ์ทางศาสนาผมได้ไปร่วม ในพธิธีเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วเขาได้ทำพิธีอุปสมบทผมก็ได้ได้รับรู้รับเห็นการพิธีอุปสมบทของสยามนิกายใช้อุกาศเหมือนพวกเรานี่คือจารีตเราปฏิบัติตาม กฎหมายบ้านเมืองพระวินัยและกะจาริตเหตุที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นไปดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอนุชานามิภิกขเวราชูนังอนุวัติตุภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อนุวัตคล้อยตามพระเจ้าแผ่นดินคือปฏิบัติตาม พระบรมราชโองการพระราชบัญญัติกฎหมายบ้านเมืองสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสส่งอ้างพระพุทธพุทธพจน์นี้ด้วยในลิขิตของพระองค์ท่านเมื่อพูดถึงตามพระวินัยกฎหมายบ้านเมือง เราก็มาพูดถึงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎหมายบ้านเมืองที่เป็นที่มาของการฝึกซ้อมอบรมเพราะพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดังที่กล่าวมามาตรายี่สิบสามบัญญัติว่าการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในกฎมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมได้อำนาจในการสั่งให้มีการแต่งตั้งถอดถอนตามขั้นตอนมีการฝึกซ้อมอบรมเนี่ยเพราะมาตรา23พระราชมัักคณะสงฆ์ให้ออกเป็นกฎมหาเถรสมาคมเหมือนกฎหมายรูปของพรบคณะสงฆ์ กฎมสเนี่ยมหาเถรสมาคมก็ <N> <A> อาศ <dumping> ัยอำนาจตามมาตรา23ออกกฎมสที <A> <N> ่ใ <A> ช <N> ้อ <A> ย <N> ู่ในปัจจุบันเนี่ยนะเป็นฉบับที่17 2,536 อ้างอาศัยอำนาจกันมาตามลำดับว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติตามกฎหมายแผ่นดินกฎหมายแผ่นดินมีกฎหมายลูกตั้งแต่รัฐธรรมนูญมาเลยครับจนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์จนกฎมสเราก็กำลังปฏิบัติตามกฎหมายแผ่นดินอยู่ในกฎมสฉบับที่สิบเจ็ดพูดถึงเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนึ่ง มีอุปชาเพียงหนึ่งรูปเพราะพึ่งาการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยท่านให้เจ้าคณะตำบลเป็นอุปชาเพื่อสะดวกในการปกครองลองนึกภาพว่าในทั้งตำบลเนี่ยใครมาบวชในยุคของท่าน ท่านเป็นอุปชาเขาหมดและถ้ารูปนั้นเติบโตในพระศาสนาเป็นเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดเขาก็เป็นสัตธิทวิหาริกของท่านว่ากล่าวตักเตือนกันง่ายและลองนึกถึงอุบาสกในตำบลเคยมาบวชกับท่านไปเป็นกำนันไปเป็นอปอตออปอต อ, อะไรต่างๆเป็นครู แล้วเขาเป็นลูกศิษย์ทั้งหมดการปกครองว่ากล่าวเทศนาสังสอนหมันง่ายฉะนั้นจึงมีข้อกำหนดว่าเราจะไปนั่งอุปชาในวัดใดต้องได้รับการยินยอมอนุญาตจากวัดนั้นเพราะชาอวาศเนเขาปกครองพระในวัด แล้วอยู่ใครที่ไหนก็รู้มาบวชมาฝากไว้เนี่ยมันปกครองไม่ได้จึงนิยมให้เจ้าวาดเป็นกรรมวาจาจารย์หรือลูสาวนาจารย์ด้วยฉะนั้นตำแหน่งพระอุปชาเนี่ยมันเจงเอื้อต่อการบริหารคณะสงฆ์อย่าดูดาย อ ย, อยู่จะรับใครเข้ามาบวชในวัดของท่านดูให้ดีในฐานะเป็นอุปชาจะรับคนเข้ามาในพระาศาสนากันกรองให้ดีพระอุปชาเป็นหน้าด่านของพระาศาสนาอุปชานีเป็นสีของพระาศาสนา อุปชาไม่ดีก็ในคนไม่ดีเข้ามาในพระสานสนะเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยประกาศนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจํากัดการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐ โดยคนที่อยู่ในประเทศที่มีประวัติไม่ดีในการมาก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกาเกือบสิบประเทศมั้งห้ามเข้าสหรัฐเพราะเข้าไปแล้วมันไปก่อการร้ายขึ้นบัญชีดำ l a ล k l i s สห้ามเข้าประเทศเพราะถ้าเข้าไปนี่มัน วุ่นวายแน่นอนประธานาธิบดีประกาศนโยบายแต่คนปฏิบัติคือใครคือคนที่คุ้มด่านคัดกรองคนเข้าประเทศอยู่ตามสนามบินอยู่ตามท่าเรืออยู่ตามชายแดนคนที่จะเข้ามาจะมีพาะสะปอร์ต หนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่คัดกรองเรียกว่าตอมตรวจคนเข้าเมืองถ้ามาจากประเทศนี้กดคอมพิวเตอร์ดูเป็นอาจยากรห้ามเข้าประเทศมันก็จะ ก, กันคนที่ไปมีประวัติ้ายยาเสพติดเข้าประเทศ บางคนยอมเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพราะไปติดบัญชีดำเพื่อกลับเข้าประเทศทั้งนี้เพื่อหลบเลี่ยงระบบการคัดกรองลองนึกภาพถ้าเอาคนที่เป็นอาจญากรเป็นผู้ก่อการร้ายเข้าไปตามสบายประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะโดนตึก มีตึกสูงสูงก็จะอันตรายเหมือนตึกวเนตีร์ประธานาธิบดีเขาจึงกำชับตอมให้เข้มงวดหน้าด่านของประเทศใหญ่ๆที่จเจริญรุ่งเรืองจะมีการคัดกรองฉันใดองค์กรพระพุทธศาสนาก็ฉันนั้น อยู่ๆแล้วป ล, ปล่อยให้ผู้ก่อการร้ายเข้ามาในพุทธศาสนาอย่างง่ายดายให้มาอาศัยวัดขายยาบ้านั้นหรือให้มาอาศัยวัดสอนคําสอนปลอม ป, ปนาศาสนาที่ตนนับถือกะนั้นหรือผู้คัดกรองก็คือต่อมอของพระาศาสนา ได้แก่พระอุปชาครับพระอุปชาดีเป็นสีของพระศาสนาเริ่มตั้งแต่คัดกรองนี่แหละครับและได้ขึ้นบัญชีดำคนห้ามเข้ามาในพระศาสนาเรียกว่าบุคคลต้องห้ามในการอุปสมบทเอาไว้แล้ว แต่โจรก็เข้ามาบวชอยู่ในวัดเยอะเลยแล้วมาสร้างปัญหาในานามของพระสงฆ์ปลาในคลองเดียวกันหนึ่งตัวหนึ่งเน่ามันเหนอมันเหม็นเน่าทั้งคลองด้วยเหตุนี้ครับเจ้าประคุณสมเร็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรองปัจจุบันจึงปลารบ ในที่ประชุมมหาเถรสมาคมและมีมติมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปีที่แล้วสามข้อดียกันข้อหนึ่งให้พระสังฆาธิการศึกษาทบทวนกฎมส23 24 และที่สำคัญฉบับที่สิบเจ็ดว่าในการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปชาทำไมจึงมีฉบับที่สิบเจ็ดล่ะครับก็เพื่อแก้ไขความเสื่อมและปรับปรุงคุณภา พ, พระสมเริ่มจากเอาคนที่มีคุณภาพเข้าสู่พระศาสนา โดยพระอุปชานี่แหละทาหน้าที่ต่อหมอตรวจคนเข้าเมืองโดยข้อที่สองชัดเจนให้พระสังฆาธิการและพระอุปชาเพิ่มความเข้มงวดขวดขันในการปกครองควบคุมสอดส่องดูแลอบรมพระภิกษุสามเณรนในปกครอง คือปฏิบัติตามกฎมสในฐานะที่เป็นเจ้าว่าและพระอุปชาอย่าเป็นอุปชาเป็ดไครแล้วไม่ฟัก ต, ต้องเป็นอุปชาไก่ไข่แล้วฟักอบรมดูแลสั่งสอนตามกฎมสที่เรามาศึกษากันที่นี่แหละรวมถึงมติมหาธิปภมที่เพิ่มเติมขึ้นมาและที่สำคัญครับ เพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนในการคัดกรองผู้ขอเข้ามาราชาอุปสมบทใหม่เหตุที่ใช้คำว่าคัดกรองนี่แหละเพื่อที่จะบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านทั้งหลายต่อไปนี้ไม่คัดกรองแล้วปล่อยให้คนต้องห้ามเข้ามาบวชในพระศาสนามาสร้างปัญหาในพระศาสนา ท่านผิดจริยาพระอุปชาครับผิดจริยาพระสังฆาธิการอีกมติมอสอครั้งนี้ไม่ได้เพิ่มอะไรเข้ามาเลยครับเพียงแต่ให้ปฏิบัติเคร่งครัดตามกฎมอสอท่านจะต้องไปดูว่าใครเป็นบุคคลต้องห้ามแล้วอย่าให้บุคคลต้องห้ามเข้ามาบวช ถ้าบวชแล้วไปสร้างปัญหาเขาจะไม่ลงโทษเฉพาะพระที่เป็นปัญหาเขาจะถามว่าใครเป็นอุปชาครับและเข้ ม, มวดตรงนี้ข้อที่สามให้พระสังฆาธิการและพระอุปชากำหนดหลักเกณฑ์การอบรมพระพิสูจน์ในปกครองโดยเฉพาะพระบวชใหม่ ส่งเข้ามาบวชสามเดือนก็เรียนนักธรรมแต่บวชระยะสั้นหละครับ <S <S เรียนอะไรปฏิบัติอะไรหรือบวชทิ้งทิ้งคว่างๆอย่างที่เขาว่ากันต่อไปนี้ต้องไม่มีครับมติมอสวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนเนี่ยบอกว่าให้อุปชา สังขาธที่การเน้นระดับเจ้าวาดนะครับเจ้าวาดและอุปชากำหนดหลักเกณฑ์การอบรมพระภิกษุในปกครองซึ่งถ้าบวชระยะยาวหนึ่งปีหนึ่งพรรษาเนี่ยเรามีนักธรรมบวชระยะสั้นตอนที่มีมรติเมื่อวันที่ยี่สิบนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็ให้พระอุปชากำหนดว่าจะสอนอะไรนี่โดยสารกนะครับ และที่เป็นมติมอสอนี้ท่านทั้งหลายก็มาเรียนกันอยู่เช่นข้อสิบสาเพียงแต่ต้องปฏิบัติเข่งครัทเท่านั้นเองปกติเรามักจะเขียนไปไหลายอักษรแต่ไม่เคยทำต่อไปนี้ต้องระวังนะครับไม่ทำอาจจะมีปัญหาเมื่อสัตธิวิหาริกไปสร้างปัญหาต้องพบข้อส3บสาสอบสวนคนละบทให้ได้คณลักษณะกร จึงรับให้บรรพชาบุมบทอันนี้เราเรียนเราศึกษากันที่นี่แต่ในทางปฏิบัติมติบอสวันที่20เนี่ยย้ำว่าต้องทำข้อ16ครับถ้าเจ้าวาดเป็นอุปชาต้องมีผู้รับรองให้ผู้รับรองของผู้นั้นนำผู้มาบวชพร้อมใบบสมัครอะไรต่างเนี่ย ก่อนวันบนรรพชาผสมบทไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเจ้าวาดผู้เป็นอุปชาศอกสวนผู้จะมาบวชเราก็รู้กันอยู่แต่มติบสอในวันที่ยี่สิบเน้นให้ทำจริงๆข้อสิบเจ็ดเจ้าวาดไม่ได้เป็นอุปชาจะรับใครก็ให้นำผู้สมัครขอบรรพชาผสมบทไปมอบตัวแก่อระชาพร้อมใบสมัคร เห็นไหมครับมติมอสเ น, น้นย้ำว่าให้ทำคัดนี่คือคัดกรองสรุปนะครับวันน th ี้ผมพูดถึงหน้าที่อุปชาหน้าที่มีสามระยะครับหนึ่งก่อนบวชสองกำลังทำพิธีบวชสามบวชเรียบร้อยแล้ววันนี้ ผมจะไม่เน้นในเรื่องของก่อนบวดเพราะมันมีกฎมสอย่างที่อ้างมาเรียบร้อยแล้วท่านเรียนแล้วเพียงแต่ผมเน้นย้ำว่าถ้าไม่ทำอาจมีปัญหาตามมาติมสที่ว่ามายกตัวอย่างครับสอบสวนเพื่อ คัดกรองและอย่าให้การอุปรสมบทแก่คนต้องห้ามเหล่านี้ท่านจะต้องเข้าใจว่าคนต้องห้ามเหล่านี้เนี่ยหถึงเเนี่ยคือใครเป็นเช่นใดซึ่งเราศึกษากันในที่ในห้องนี้แล้วและอย่าได้เราถือว่าขึ้นแบล็คลิสบัญชีดําคนขึ้นบัญชีดําห้ามเข้าประเทศฉันใดคนต้องห้ามอุปสมบท ก็อย่าปล่อยให้เข้ามาในพระศาสนาฉะนั้นและถ้าเกิดว่าคนต้องห้ามเข้าประเทศได้ตอมอมีความผิดผิดผู้ต้องห้ามเข้ามาในพระศาสนาได้พระเวชาผิดจริยาครับฉะนั้นเมื่อบวชแล้วครับหนึ่งก่อนบวชคัดกรอง ซึ่งกฎมหาเรงมระบรมกำนดไว้บทสองกำลังบวชผมจะพูดในรายละเอียดวันนี้ระเบียบมศบวชแล้วทำอะไรหลังบวชหน้าที่หลังบวชก็กฏมส อ, อีกแต่ถ้ากำลังทำพิธีบวชมันเป็นระเบียบที่จะพูดวันนี้นะครับผมถึงขอใช้เวลาโยงให้เห็นว่าก่อนบวชมีหน้าที่อย่างนี้กำลังบวชมีมีหน้าที่ตามระเบียบที่จะพูดต่อไป บวชแล้วมีหน้าที่ตามกฎข้อ19ครับซึ่งท่านมีวิทยากรบรรยายแล้วผมเรียงแต่เชื่อให้ดูข้อ19พระอุบชามื่ให้บรรพชาประสมบทแก่กุลบุตรแล้วมีหน้าที่ต้องถือเป็นภาระตุระปกครองดูแลสั่งสอนสัตวทวิหาริกถ้าไม่ปกครองดูแลสั่งสอนเองต้องมอบในวัดสอมอบให้เจ้ า, าวาดนะครับ ดูแลอบรมสั่งสอนทีนี้ถามว่าในกรณีที่มอบให้เจ้าวากวดก็ดีหรือเราจะต้องอบรมก็ดีระบุระยะสั้นเนี่ยระยะยาวมีนักธรรมอบรมสั่งสอนระยะสั้นทำอย่างไรก็มีมติมหาเถธธรสมาคมนะครับสอดคล้องกับข้อส9บมีมติมหาเถธธรสมาคมสดสดร้อนครับวันที่สิบเก้ามกราคมที่ผ่านมา วันนี้วันที่ยี่สิบหกไม่ถึงสิบวันผมเอามาเล่าก่อนเพราะมันเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วผมก็คัดข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับมาอ่านให้ท่านฟังวันนี้สิบเก้ามกราคมหกศูนนี่ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ครับ ที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้พิจารณาสรุปหลักเกณฑ์การการบัรบบประชาอุบสมบทใหม่เป็นสองระยะคือระยะการบวช15วันและ30วันโดยเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรพุทธศาสนาศกษาในสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19เมื่อพุทธศักราช2539 เป็นหลักการศึกษาอบรมสําหรับผู้บวช30วันส่วนระยะการบวช15วันให้ลดชั่วโมงหลักสูตรลงมาให้เหมาะสมผมขออธิบายขยายความข่าวนี้ครับมติมสอนี้เป็นการขยายมติวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าให้จัดการ สั่งสอนอบรมผู้เข้ามาบวชโดยเฉพาะระยะสั้นถามว่าถ้าบวระยะสั้นควรบวชกี่วันไม่ได้บอกนะครับมหาเถรมคมไม่ได้สั่งว่าจะต้องบวชระยะสั้นไม่น้อยกว่ากี่วันมหาเถรมคมเพียงแต่ช่วยว่าเข้ามาบวชในพระาศาสนาให้มีคุณภาพเนี่ยต้องบวชเรียนอย่ามาบวช ทิ้งที่กวามเลียนอะไรครับมหาในทยประคมก็ไปศึกษาข้อมูลในอดีตพบว่าในปี 2,539 สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชในฐานะองค์ประธานกรรมการการศึกษาคณะสงฆ์ได้ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมา ยกร่างหลักสูตรสำหรับผู้บวชระยะสั้น30วันบอกเลยว่าบวช30วันต้องเรียนอะไรอย่างไรมีรายละเอียดทั้งหมดประกาศใช้ในคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งมีเสด็จสักราชเป็นประธานแต่่แต่เป็นเรื่องของการศึกษาไม่ได้มาประกาศใช้โดยมหาเถรสมาคมมันคนละส่วนกัน เราได้ตระหนักว่ามีตรงนี้เหตุที่ตระหนักก็เพราะว่าในกรรมการชุดนั้นเนี่ยผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยผมจําได้ก็เอามามาดูและเมื่อมาดูแล้วเนี่ยมีเฉพาะสามสิบวันมหาเถรสมาคมบอกทำไมไม่ทำหลักสูตรสิบห้าวันด้วย จึงได้ทำหลักสูตร15วันล้อกันและก็มีหลักสูตร30วันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเป็นการบอกกับสังคมว่าบวชแล้วจะให้ได้ประโยชน์ต้องเรียนบวชเจวันมันเรียนไม่ทันดูจากหลักสูตรบวช30วันเนี่ยเรียน20วัน แล้วทำหน้าที่อย่างอื่นปฏิบัติกรรมาฐานรวมอยู่ดีนั้นสิบวันบวกยี่สิบที่เรียนในห้องเรียนกลายเป็นสามสิบวันทีนี้ถ้าบวชจะให้ได้ประโยชน์สิบห้าวันเรียนสิบวันและทำอย่างอื่นกิจกรรมอื่นห้าวัน หลักสูตร15วันพวจะมีอย่างไร30วันมีอย่างไรดูจากของเก่าแล้วออกมาปรับเป็นมติมอสอเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเมื่อมหาเรงพระคมรับรองมตินี้แล้วจะประกาศในเว็บไซต์ของสํานักงานพัสดุแห่งชาติเป็นหลักสูตร15วัน30วันดูตามเว็บไซต์ของสํานักพุทธ ถามว่าแล้วห้ามบวชระยะต่ำกว่าสิบห้าวันหรือไม่ไม่ได้พูดถึงเป็นแต่เพียงมีมติสืบเนื่องจากวันที่ยี่สิบพฤศจิกา ย, ยนว่าบวชแล้วต้องเรียนแล้วเรียนอะไรมหาดหมายผมก็ทำหลักสูตรสิบห้าวันสามสิบวันให้ให้พ่อแม่ของคนบุตรที่จะบวชได้มีมีสิทธิเลือก สมัยนี้เขามีการประกันคุณภาพการศึกษาไปเรียนโรงเรียนไหนมีคุณภาพผ่านการประกันพ่อแม่ก็จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนั้นบวชวัดไหนแล้วได้ประโยชน์ได้คุณภาพเป็นกุลบุตรที่ดีสืบต่อพระาศาสนาเพราะมีการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้บวชก็จะเลือกไปวัด น, นั้นเรียกว่าเป็นยุค ข, ของการประกัน คุณภาพของการบวชไม่ได้บังคับการศึกษาทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดบวชแล้วได้ประโยชน์วัดไหนที่ไหนอุปชาใดอบรมดีเขาจะไปที่นั่นมันเป็นกระแสของโลกเรียกประกันคุณภาพมศจึงต้องทําหลักสูตรนี้เพื่อให้บวชแล้วมีคุณภาพส่วนเทคนิควิธีการอย่างไรเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายแต่ ใครมาบวชกับพระอุปชารุนนี้รับรองคุณภาพครับแก้วมีการฝึกอบรมมีการให้ความรู้อย่างนี้เป็นต้นถามว่าบวชสิบห้าวันเรียนอะไรสามสิบวันเรียนอะไรผมขอสรุปสั้นๆตามเวลาที่มันบวดเข้ามาแล้วผมจะเข้าไปเรื่องหน้าที่คณะบวชนี่นี่หน้าที่หลังบวชนะครับบวชเสร็จแล้ว ดูนะครับตารางประกอบโครงสร้างผู้บวช15วันเรียน6วิชาครับแบ่งเป็นคาบาบคือ50นาทีเขากำหนดไว้ในหลักสูตรละเอียดซึ่งท่านจะต้องไปเปิดในเว็บไซต์ของสำนักพุทธวิชาที่หนึ่ง24คาบคือวิชาธรรมะเหมือนหลักสูตรธรรมตรีครับ วิชาที่สองวินยัยหกคาบเรียนอะไรบ้างเขามีอะไรเรียนหมดวิชาที่สามพุทธประวัติแปดคาบแสดงว่าเรียนใช้เวลาเรียนไม่เท่ากันวิชาที่สี่ท่านาจจะงงครับเทศนาก็คือกระทูครับแต่กระทูนี่เป็นเขียนอธิบายธรรมะในหลักสูตรนี้ทั้งเขียนทั้งเทศทั้งพูดเรียนด้วยกันหมดเรียกว่าเทศนา วิชาที่ห้านึกถึงว่ากุลบทเข้ามาบวชแล้วต้องศึกไปเป็นอุบาสกอุบาสิกาเขาเข้าบวชระยสั้นต้องเรียนาศนาสนพิธีครับถ้าสิบห้าวันเนี่ยเรียนสี่ขัอย่างน้อยศึกไปแล้วให้อรัถนาศิลธรรมได้อุปชาไม่น่าแตกวิชาสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาจากจากท่านคำตรีนะครับเพิ่มม า, าศาสนพิธีเพิ่มภาวนาคือกรรมฐานกรรมฐานนี่ เรียนวิธีสี่ค่ากระจิงแต่ต้องปฏิบัติตอนนอกห้องเรียนด้วยสรุปแล้วสิบห้าวันเนี่ยเรียนห้าสิบคาตารางเรียนเป็นอย่างนี้ครับในในสิบห้าวันเนี่ยนะครับในอาศัาายตารางเรียนที่ โดยกำหนดอย่างนี้ครับ15วันยกตัวอย่างครับไม่ไม่ได้อมาซะแล้วคืออย่างนี้ครับวันหนึ่งเรียนห้าวิชา เ, เรียนห้าคาบไม่ใช่ห้าวิชาเรียนห้าคาบคาบละห้าสิบนาทีก็เป็นสิบวัน 10วันวันละห้าคาบห้าสิบคาบครับถ้าบวชสิ 15, 3, บห้าอ่สามบวชสาสิบวันเรียนวันละห้าคาบยี่สิบวันก็คือร้อยคาบเวลาก็จะเพิ่มขึ้นมาเช่นธรรมะก็เพิ่มอีกเท่าตัวเป็นสี่สิบแปดคาบภาวนาก็เป็นแปดคาบแทนที่จะเป็นสี่โดยสรุปไปอย่างนี้กันแล้วกันนะครับเมื่อ มีหลักสูตรมีเวลาเรียนจึงมีหลักเกณฑ์ในการใช้หลักสูตรที่มหาเถรสมาคมกำหนดสำหรับข้อหนึ่งสหรับผู้บวชสิ้าวันใช้เวลาเรียน10วันวันละ5้าคาบ5้ห้าคาบ1ิวันก็50สคาบเขามีกำหนดเรียนอะไรอย่างไรนะครับวิชาไหนมีคาบมีอะไรหัวข้อไหเขากำหนดหมดผมไม่มีเวลาที่จะพูดตรงนี้ สำหรับผู้บวชสามสิบวันเรียนยี่สิบวันวันละห้าข้าห้าสองสิบก็1อยข้าข้อสามครับวันและเวลานอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในตารางเรียนให้ใช้เจริญภาวนาคือกรรมฐานและทำกิจกรรมเื่อื่นสิบวันเรียนในห้องเรียนอีกห้าวันและเวลานอกห้องเรียนทำกรรมฐานและอื่นรวมถึงยี่สิบวันด้วยครับข้อสี่ครับ สำหรับรายวิชาที่กำหนดในการศึกษาก็มีรายการศึกษาด้วย6วิชาให้ปรับลดได้ตามความเหมาะสมแต่ควรเรียนให้ครบหัวข้อตามที่กาหนดในแนวสังเขรวิชาแนวสังเขปรายวิชาเป็นอย่างไรท่านไปดูเองนะครับนั่นคือหน้าที่อุปชาในการให้การดูแลสั่งสอนอบรมสัตว์ที่วิหาริกหลังบวช ก่อนบวชต้องคัดกรองหลังบวชต้องให้การศึกษาอบรมกำลังบวชทำอะไรครับกำลังบวชท่านหน้าทำหน้าที่เป็นประธานดูแลไม่ให้เกิดวิบัติสี่อย่างให้เกิดสมบัติสี่อย่างนั่นคือหน้าที่ในการปฏิบัติในขณะที่กำลังบวช และข้อสอบข้อเขียนส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เช่นปัญหาที่เคยออกสอบจงชี้แจงถึงหัวข้อใหญ่ๆในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปชาซึ่งท่านได้รับอยู่ขณะนี้มาให้ฟังนี่ข้อสอบจริงนะครับถามว่าถ้าจะตอบข้อสอบนี้เนี่ยคำถามนี้ เอามาจากไหนตอบว่าเอามาจากระเบียบ ม, มสระเบียบมหาเทมคมที่จะพูดถึงต่อไปนี้ครับซึ่งระเบียบนี้ออกตามความในกฎมสข้อ41ข้อ41กฎมสบอกว่าวิธีปฏิบัติในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พร่ประชาก็ดีการทำะอะไรว่าไปเรื่อยนะครับให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบมหาเทมคม แสดงว่าในกฎมสที่สิบเจ็ดเขาไม่มีรายละเอียดเรื่องการสอบการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้ข้อสอบสอบอะไรเนี่ยให้ไปดูในระเบียบบางท่านอาจจะหัวหมอผมมาสอบเป็นพระบู้ชายไม่ได้สอบเป็นพ่อนาคทำไมจะต้องมาทำหน้าที่เจ้าน้าสอบภาคปฏิบัติเมื่อวานเนี่ยอุกาสาวันธามิพันเตตอบว่าเพราะระเบียบมหาเศรสมาคมเขากาหนดไว้ ให้ท่านต้องสอบหน้าที่เจ้านาคด้วยอาศัยอำนาจตามกฎมสข้อสิเมหาเถรสมาคมจึงออกระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระอุปชาพศสองพั้า้ยสาสิบวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระอุปชาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกำลังบวชนะครับขณะบวชมีอะไรบ้างครับ หัวข้อที่ว่าเมื่อกี้คำถามว่าหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยเรื่องอะไรท่านก็ไปดูข้อสี่ครับในระเบียบเป็นหัวข้อฝึกอบรมและสอบความรู้เล่าปรชา 1. ห, หน้าที่เจ้าหน้าเจิ้นขันหน้านี่เป็นภาคปฏิบัติไปแล้วครับท่านก็สอบเมื่อวันศื้นเมื่อวานข้อสองหน้าที่พระกรรมวาจารกรรมวาจาจารผู่สวดยติอนุสาวนา ข้อสหน้าที่พระอุปชาสอนนาสอนกรรมฐานให้ผ้าให้ดิสัยบอกบริหารประเดี๋ยวสงและบอกอนุสัตข้อ 4. สมบัติและวิบัติข้อ5อัฏฐบริหารข้อ6การนับอายุและตั้งนามฉา ย, ยาข้อ7การส่วนนาเดียวหรือหลายหน้าข้อ8การนับเวลาสําเร็จยติจตุจตถกรรมและการออกหนังสือสุทธิข้อ9หน้าที่พระประชาตามหนังสือวินัยมุกและกฎมศที่พูดมาก่อนหลังเห็นไหมครับ พระเวชาเป็นประธานในพิธีอุปสมบทเพราะฉะนั้นประธานนี่จะต้องดูไม่ให้เกิดการบกพร่องตั้งแต่สงเนี่ยมาครบวักรหรือเปล่านะปัญจวักทศวักนะตามที่กําหนดไหมแล้วการขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยทำตามนั้นหรือเปล่าคนเข้ามาอยู่ในหัตถบาทเมื่อมีกรรมวาจาหรือไม่อย่างไรเหล่านี้ พระอุปชาทาหน้าที่กำกับดูแลพิธีให้สำเร็จร่วมโดยบริสุทธิ์เริ่มตั้งแต่หน้าที่เจ้าหน้าถ้าคนเข้ามาใน ม, มาบวชแล้วไม่โกนหัวนี่นะไม่มีบริขารอัฐบริขารอุปชาสั่งระนับได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ทำหน้าที่เจ้าหน้าให้มันถูกต้องเรามีในฐานะอุปชากากับดูแลหนึ่งเจ้าหน้า ทำหน้าที่ได้ถูกต้องไหมทั้งคําขอบรรพชาประสมบทเทนี้คําถามว่านาคคืออะไรครับนาคมีความหมายในในบทในคํากรรมวาจาเนี่ยเขาไม่เรียกนาคนะครับเรียกอุปสมบทาเปกโขในยติเจตุกรรมว า, าราเนี่ยอุปสัมบทาเปกแปลว่าผู้มุ่งจะบวกคําว่านาคที่เราเอามาใช้เนี่ย หมายความว่าอย่างไรท่านให้คำอธิบายไว้ดีครับ4 4 5ความหมายในคำพีวชิระสารฐสังคหะมีคำอธิบายคำว่านาคไว้น่าสนใจสำหรับคอบาลีนะครับนาโคนาคมารุวหะนาคมูลังอุปาคามิ นาคขาปุ๋ผังขเหตตะวานาคสักอภิปูชยิขำแรกนะครับนานั่นแรขึ้นสู่หลังน า, นาคนาโคนาคมาลุยคะนานั่นแลขึ้นสู่หลังนาคหมายถึงอะไรครับนาแปลว่าผู้ประเสริฐนาตัวแรกหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินผู้ประเสริฐขึ้นสู่หลังนาคคือช้าง อาหารนาะโควาสังฆาเมผมเป็นเราเป็นนาคในสงครามในสามบทนาคตัวนั้นไม่ใช่พญานาะคนาคตัวนั้นคือช้างนาคขึ้นสู่หลังช้างคือพระเจ้าแผ่นดินขึ้นสู่หลังช้างนาคหมูหลังอุปาคามิเข้าไปสู่โคนนาโคนนาคคือไม้กากระทิงเก็บดอกนาคคือดอกากากระทิง น้อมไปบูชาหนะ้าคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่าหน้าในคำพีวชิร ส, สารสังฆะนะครับพระสิริปัญญารัตนะปัญญาเถระท่านแต่งไว้สรุปเวลามีน้อยนะครับคำจ ก, กัดความหรื อ, อ, อวิเคราะห์บทวิเคราะห์นะักอาคุงปาตะกรมมังกโรติตินาโค นาคคือผู้ไม่ทำบาป ก, กรรมคนที่ไม่ทำบาปเตรียมบวชคือนาคนี่คำในพระคัมภีร์นะครับเอาทีนี้ในพจนานุกรมฉบับรา ช, ชบัณฑิตยสถานหมายถึงอะไรผมไปเร็วเลยนะครับเพราะเวลามันไล่ครหนึ่งพญานาคครับบั้งไฟพญานาคงูใหญ่มีงอนสองชนเผ่านาคานาคาเลนในอินเดีย สามช้างสี่ไม้กากกระทิงห้าผู้ประเสริฐรวมถึงคนที่ไปอยู่วัดเตรียมตัวจะบวชหรือกําลังจะบวชทั้งห้าอย่างนั้นมีอยู่ในบาลีที่ผมว่ามานะครับแต่วันนี้หน้าที่เจ้าหน้ากหมายถึงผู้ที่ไปอยู่วัดเตรียมตัวจะบวชหรือกํำลังจะบวชเป็นอุปสรรคทาเปกเอาละครับ ไปต่อห้ามบวช ด, ดิริฉานครับอนุปสมบันคือสัตว์ดิริาานไม่เพิงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสียเพราะฉะนั้นพยานนาคบวชไม่ได้จะไปบอกว่าเออเราหัวหมอนะ บวชพญานาค ก, ก็ได้เรื่องเคยมีมาแล้วนายวินัยปีดก ค, ครับพญานาคไล่มนจนกระทั่งเป็นมานพหนุ่มมาบวชแล้วบวชเป็นพระเสร็จแล้วหลับกลายเป็นพญานาคมาเนรพระพุทธเจ้าคนนําไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้ศึกไปเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าพิกษุทั้งหลายอนุประสัมบัญคือสัตว์เดรัจฉานบวชไม่ได้ที่บวชแล้วต้องให้ศึกนาสนัก เพราะฉะนั้นในการสอบซ้อมอันตรายยิกธรรมจึงถามว่ามนุษย์โ ส, สิเป็นมนุษย์หรือเปล่าเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่เดริชานนี่ในพระไ น, ววนยวิณิกนะครับเล่มที่สี่ในลังกาที่ผมพูดถึงมาที่ผมไปร่วมในพิธีบวชนะครับนากรังกาเนี่ยขี่ช้างด้วยนะครับเออเขาเรียกว่า นาคขึ้นสู่หลังนาคนะครับพระอุปชาสศีรกานะครับสยามนิกายครับที่ผมเล่าให้ฟังพระอุปชานศีงษานั่งไม่นั่งไม่ได้นั่งพับเพียบบนอาสนะอย่างเรานะครับไม่ได้นั่งบนแต่ว่ามีเก้าอี้ครับมีเก้าอี้และพระอันดับก็มีอาสนะสงให้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลานาคยืนนะครับก็ มีที่ช่วยนาคยืนนาคคุกเข่าเนี่ยนะครับเวลานาคคุกเข่าเนี่ยนั่งไกย่ยงคําว่านั่งไก่ยงเนี่ยนั่งยังไงครับอกกุติกังเนี่ยในภาษาบาลีนะครับอกกุติกังนิซีทิตาวาอัญฉลิงปัจกเหตุวาอุปชายโยเมพันโตพันเตหโหหีในพระวินัยปิโดกเนี่ย นั่งกระยงประคองกันฉลีกลแต่ว่าอุปชายโยมีพันเตนโอ้ยท่านรู้ไหมนั่งกระยงนั่งแปลว่านั่งเหมือนไก่ไก่นั่งยังไงต้องไปดูลังกาครับนี่ของแท้ครับท่านสังเกตไหมไก่เนี่ยนะครับนั่งเหมือนเราคุกเข่านะครับแต่เข่าไม่ถึงพื้นนะครับนั่งโดยท่านเคยเดินขยี้งไหมล่ะ เดินขยิงคือเอาปลายปลายส้นไอ้ปลายเท้าลงพื้นเดินขยิงไม่ให้มันดังส้นไม่แตกทีนี้ถ้าท่านนั่งคุกเข่านะครับก็คล้ายๆเดินขยิงแต่เข่าของท่านเนี่ยมันถูกพื้นพระศรีลังกาบอกนั่งไงนั่งไกยงนั่งไกยงก็เหมือนนั่งคุกเข่าประเทศไทยแต่ยกเข่าขึ้นเอาแต่ปลายเท้าลง แล้วเสร็จแล้วคนโบดใหม่เนี่ยไม่ชินเท้ามันจะพุ่งลงทํำยังไงครับก็เลยเอาเขานาคเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเข่านาคเนี่ยครับไปพุ่งชนเขาอุปชาไว้อุปชาเป็นที่พึ่งนะครับชนเขาอุปชาไว้แล้วมีพี่เลี้ยงคอยจับหลังไม่ให้หงายหลังอีกอุยุ่งยากนะครับนั่งกระยงประเทศไทยเลยตัดปัญหานะครับ ถ้านละกานั่งกระโยกแบบนี้ประเทศไทยบอกกดเข่าลงพื้นเลยเราเรียกนั่งคุกเขา่านะครับนั่งถ้านั่งแบบหลวงพคูณเนี่ยนะจะนั่งเหมือนไก่แต่หลวงพ่คูณไม่เหมือนละ ก, กาถ้าจะให้เหมือนละ ก, กายกข่าขึ้นหลวพ่คูณต้องเอาปลายเท้าลงเท่านั้นเออยังไม่แน่เท่าละ ก, กานะครับยังไม่มีฉบักนี้ใครจะไปใช้ก็ได้นะครับ แต่ระวังสบงหน่อยก็แล้วกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยเรียบร้อยครับคุกเข่าอันนี้ที่ว่าอุกาสะแบบประจารีเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับผมไปดูนี่ในการบทครั้งนี้นี่ท่านสังเกตนี่คือมหานนยกะอสกิริยะกับอัลอัญวาสีเข่าของสัมมณเีนเนี่ยชนเข่าอุปชานะครับและมีพี่เลี้ยงคอยยืนไว้กันหายหลังโอ้เธอเป็นเรื่องใหญ่นั่งประยง นี่ตามพุทธานุกรม้มอาการที่นั่งเอาปลายเท้าตั้งลงที่พื้นส้นเท้าทั้งสองรองรับก้นแต่จริงๆถ้านั่งไก่ยงแบบอินเดียแบบลักกาส้นเท้าส้นเท้ารับ ก, ก้นก็จริงแต่ว่าเข่าไม่ลงพื้นบ้านเราไปเรียกนั่งพุกเขา่าทีนี้ผมขอไปหน้าที่พระกรรมวาจาจารย์นะครับเวลาเร่งมาก ในพระกรรมวาจาจารย์นั้นประกาศในถามกลางสงให้ไตรสรนคมให้ศีลสอนซ้อมสอบถามอันตรายิกรรมำยติกรรมยติจจตุธกรรมถามคบคำเข้าสอบคิดออกมันมียติกรรมยติจจตุธกรรมอัปโลกนกรรมสรุปแล้วสังฆกรรมมีจริงๆเท่าไหร่ครับสนะครับอัปโลกนกรรมยติกรรมยติธุติกรรมยติจตุธกรรม ในการอุปสมบทมีสังฆกรรมเท่าไรครับร อ, อะไรบ้างสองสา ม, รรมไม่มียัติธุติยกรรม อ, อันนี้ก็คือซ้อมนะครับสังฆกรรมสามอปโลกนกรรมยติกรรมยัติจจตุถกรรมข้อสอบเคยออกถามต่อครับ ห้ามอนุปสัสมบันเข้าอยู่ในหัตถบาทเมื่อพระสงฆ์เริ่มประกอบสังฆกรรมถามว่าสังฆกรรมที่เริ่มนั้นต้องให้อนุปสัสมบันออกนอกพ้นหัตถบาตคือสังฆกรรมอะไรครับสังฆกรรมเริ่มต้นตอนไหนครับตอนที่พระผู้สวด สมมติตอนเพื่อออกไปสอนซ้อมอุปสรรคปัญหาเปกข้างนอกจัดเป็นสังกัมเรียกว่ายัตติกำ ร, ร์อนุปสรรค์มันต้องไปอยู่นอกหัดทบาทหัตถบาทแปลว่าวัดอย่างไรครับเออวัดอย่างไรอ่ะตามที่ท่านเฉลยนะครับบวงมือวัดจากจากด้านหลังเราใช่ไหมอุปชานะ ไปที่เข่าได้หนึ่งศอกนับจากศอกไปอีกไอ้นับจากเข่าไปอีกหนึ่งศอกหนึ่งคืบก็คือสองศอก บ, บวกมือคือสองศอกหนึ่งคืบเมื่อพิสูจน์นักพระเพียรภัยวัดจากด้านหลังนี่คําเฉลยนะครับถึงหน้าตักด้านหลังถึงหน้าตักนี่เท่าไหร่สองถึงแล้วนะแล้ววัดต่อไปจากเข่าเนี่ยไปหนึ่งศอกกับ1นึคืบจึงได้สองศอกหนึ่งคืบ อ่าอันนี้คือหัตถบัตรที่ท่านเฉลยไว้นะครับอ่ะต่อไปครับพระอุปชาหมายถึงอะไรในกฎมสอหมายถึงใครครับประธานรับผิดชอบใช่ไหมครับให้ให้คนไปนั่งประชาแทนได้ไหมประธานมีองค์เดียวรับผิดชอบถ้ามิฉะนั้นเนี่ยผิดจริยา มีความหมายในพระวินัยคือผู้เข้าไปเทิ้งเพ่งโทษน้อยใหญ่นะครับวัชชาวัชชังปนิช ย, ยติติอุปช า, าผมผ่านนะครับต้องได้รับแต่งตั้งเป็นประธานทำหน้าที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อไรครับได้รับแต่งตั้งผู้ไม่ได้รับแต่งตั้งแล้วไปบังอาจให้การมูชชาอุสมบทมีโทษอย่างไรครับ จำคุกครับไม่ได้รับแต่งตั้งระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีผู้ผู้ที่อุปชาเถือนนะครับไปบวชให้คนที่บวชเป็นยังไงครับไม่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์อันพระพิสุสธสมเน็จะพึงได้ใบสุทธิได้ไหมครับ เมื่อไม่มีใบสุดที่มาแต่งมาห่มจีวรนี่เขาถือว่าอย่างไรแต่งแต่งตัวเรียนแบบใช่ั้ย oh. คือสรุปและบทไม่ได้นั่นแหละแต่พระวินัยท่านไม่ได้ท่านไม่ไ ม, ไม่ได้ชี้ไม่ได้ชี้ชัดทางพระวินัยว่าเป็นพระหรือไม่เป็นพระ oh. เพราะฉะนั้นข้อ39้าในกฎมสเพียงแต่บอกว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์อันพิกษุเลจะเึงได้ทีนี้ ผมมีกรณีศึกษาครับเรื่องกรณีตัวอย่างนะครับเขาจะยกกรณีตัวอย่างนี้ในการสอบนี่เกิดเหตุเกิดในสมัยสมเด็จพระมหาสมนเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรมีผู้ฟ้องร้องมาถึงพระองค์ท่านให้ทรงวินิจฉัยเป็นมหาสมณวินิจฉัยในปี2462ปีนี้2561 99ปีมาแล้ว 99ปีมาแล้วนะครับเหตุเกิดเรื่องกรณีนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกเป็นโจทย์ฟ้องฟ้องใครครับพระจรวัดกบังชื่อจรนนะครับวัดกบังจังหวัดพิษนุโลกตั้งตนเพนพระประชาให้อุสมบทคนที่ได้รับอนุญาตจากทางการ24คนแทนพระครูพรมพน์วิหารเจ้าคณะแขวงพรมพิรัน พระสมุอิมเจ้าวาดวัดกะบังเป็นคู่สวดสรุปแล้วในกรณีตัวอย่างนี้มีใครทําผิดอะไรบ้างครับและจะต้องได้รับโทษอะไรถ้าท่านจะต้องวินิจฉัยเหตุการณ์นี้เนี่ยตามกฎระเบียบมศเนี่ยพระจรผิดไหมครับที่ตั้งตนเป็นผู้ชาบวดคนโดยไม่ไม่มีใบตราตั้งผิดไหมครับผิดได้รับโทษอะไรครับในปัจจุบันจําคุกหนึ่งปีครับแล้ว คนที่ไม่ได้รับอนุญาตได้มาบวชนี้ได้รับสิทธิไหมครั บ, รบแล้วยังบวชกับอุปชาที่ไม่ได้แต่งตั้งอีกดับเบิ้ลเลยไหมครับเพี้สองกระทงคือเสียเสียประโยชน์สองกระทงทีนี้แทนพระครูพรมพภพวิหารเจ้าคณะแขวงพรมพิรามเนี่ยคือพระครูพรมพภพวิหารเนี่ยท่านเป็นพระเบัชาไมีใบาตาตั้งแล้วไปรับบวชคนยี่สิบสี่คนแต่ ถ้าเขินไปบวชคนที่ไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตเนี่ยผิดไหมครับผิด ไ, ไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตใช่ไหมบุคคลต้องห้ามอุปสมบทและเ อ, อแล้วไปไงครับเลยไปมอบให้พระจรนั่งแทนหัวหมอออแล้ว่าเป็นอุ ป, ปชาแล้วไม่ไปครับงานนี้มันเปลืองตัวส่งพระจรนเป็นนักบัญชาแทนพระครูพรมพจน์วิหารอุ ป, ปชาผิดไหมครับอ่าเพราะว่าต้องเป็นประธานใช่ไหม ควรได้รับโทษอะไรครับพระสมุอิมเป็นเจ้าวาดวัดกระบังเป็นผู้สวดครับไปเป็นผู้สวดให้อุปชาเทือนดีผิดไหมครับได้รับโทษอะไรดีเออนะครับทีนี้ดูสมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านวินิจฉัยนะครับกรณีศึกษาพระจรถ้าเป็นสมัยนี้ติดคุกหนึ่งปีใช่ไหมครับ สมัยก่อนให้ติดคุกพระทำเหมือนทหารติดคุกทหารติดคุกสองปีครับไปกัก บ, บริเวณติดคุกกับพระอยู่ที่วัดอนุทารามสองปี <c oughs> แต่สมัยนี้อย่าไปเล่นนะครับเอาพ้าเหลือออกเลยนะครับหนึ่งปีเนี่ยเออพระครูพร ม, มพรศรีหารให้คนไปนั่งประชาแทนถูกพักสองปีสุดพักหนึ่งปีสมัยนี้ต้องทาไงครับอะ ถ้าไปดูคำเฉลยสมัยนี้นะพระสบูอิมถูกถอดจากจ้าววาดเลยครับโอโ้ไม่คุ้มค่า <c oughs> ที่ถวายเลยพระจรนะครับพระพระจอกติดคุกนะครับติดุกการบริเวณคนต้องห้ามยี่สิบสี่คนถูกให้ศึกคือไม่ได้ประโยชน์จากการไม่มีสิทธิ์ที่จะบวชครับท่านต่อไปครับสมบัติและวิบัติ ทบทวนนะครับสมบัติ4ีมีอะไรบ้างครับวัตถุหน้าอายุเท่าไรครับนับในคันได้กี่เดือนสองสีมาไม่เล็กไม่ใหญ่เล็กนี่จุภิกษุได้เท่าไรครับและใหญ่ไม่เกินกี่โยน ยังไม่ตรงกันไปหาเองนะครับผมไม่มีเวลาจริงสงปัญญวัคทศวัคปัญจวัคใช้กรณีอะไรชนบทครับปัญจานชนบททศวัคครับปั ญ, ญกัมมวาจจะต้องยัตติอนุสาวนาให้ถูกไปวิบัตสี ให้ผสมบทแก่คนไม่ถึงยี่สิบปีสงจตุรวัต์ให้ผสมบทในวิหารไม่โบนในโบนเลยครับตั้งยัติแนละ้วโอเคผมตอนนี้นะครับผมตั้งคำถามคำถามท่านนะครับมีการฟื้นภิกษุณีขึ้นมาโดยอ้างว่าไปบวชที่ไต้หวันอุพะโตสง อุปโตสองคือสองสองฝ่ายภิกษุสงและก็ภิกษุณีสงฆภิกษุณีสงบวชกับภิกษุณีไต้หวันภิกษุสงบวชกับภิกษุเทราวาชเช่นลังกาถามว่าเกิดวิบัติอะไรหรือไม่อย่างไรในวิบัติสิเป็นภิกษุณีหรือไม่ เขาบวชในโหมดสีมาไม่มีปัญหาเกิดอายุยี่สิบพิษีณีแล้วบวชสงฆ์สองฝ่ายอุปัโตสง้ไปคิดเองนะกรร ม, มาวาจาเทรวาตต้องใช้ภาษาอะไรครับกรร ม, มาวาจาสัมบรีมาคตแล้วไปบวชไต้หวันใช้ภาษาอะไรครับ ใช้ภาษาหลักใช้ภาษาอาลาเรื่องภาษาอย่างน้อยกรรมวาจาผมไม่ออกข้อสอบนะครับไปต่อไปเรื่องวิบัตินะครับท่านผมไปอัธมบริขารครับที่เคยออกข้อสอบ อ, อที่สําคัญขาดไม่ได้แปอย่างมีอะไรอย่าโทท่านว่าเองทวน อ่าตามนั้นแหละที่สำคัญขาดไม่ได้คืออะไรครับทำไมบาทเจวรขาดไม่ได้เพราะในในอะไรในอันตรายยะธรรมถามว่าไงครับออใช่ไหม ขยันถามว่าปริปุนันเตปตะจีวรังบาจีวรนครบแล้วหรือถ้าไม่มีไปตอบว่าอามาพันเตโกหงองีกผิดตกอันตรายยิ่งกรมนะครับอ่ะต่อครับนับอายุครับยี่สิบปีทั้งในขนันท่านเตรียมแบบบวกหรือลบครับ อ่าลบแบบลบนะอ้าวสมมุติเกิว 13, 240, วดวันที่สิบสามมีนาคมสองพสี่สิบบวชวันที่สามสิเ็ดมกราคมสองพันห้ารอยหกสิบเอดอายุเท่าไหร่ครบบวชไหมครับเอาแบบไหนครับลบนะอ้าวท่านลองทำของท่านแล้วมาดูว่าตรงกันไหมสิบเกิดสิบสามมีนาสี่ศูนย์ บวชสาเด็จมกราหกหนึ่งเนี่ยได้ใบาตาตั้งแล้วบวชเลยสารเสด็จเด็กอายุเท่าไหร่เท <c oughs> ่าไหร่นะครับย <c oughs> ี่สิบปีสิบกี่เดือน สิเดือนสิบแปดวันอ่ะวิธีทําครับแบบลบนะครับแบบลบที่เอาอะไรตั้งครับปีบวชบวชวันที่สามสิบเอ็ดเดือนมกราคมเดือนหนึ่งสองพันห้ารหกสิบเอ็ดตั้งตั้งให้ตรงกันนะครับปีก็ให้ตรงกับปีเดือนก็ให้เดือนวันก็ให้วันแล้ว อ, อะไรลบครับ ปีเกิดลบเกิดอ่าถ้าเอาปีก่อนปีเท่าไรครับสองพันห้าร้อยสี่สิบรลบสองพันห้าร้อยหกสิบเอดเดือนเกิดเดือนอะไรครับมีนาคมแล้ววันที่สองพันห้าร้อยสี่สิบลบปีปีบวช เดือนเกิดลบเดือนบวชวันเกิดลบวันบวชสิบสามคือวันเกิดเดือนมีนาคมสองร้อสี่สิบสิบสามลบวันเกิดลบวันบวชสิบสามลบสาเหลือเท่าไหร่ครับสามลบหนึ่งเหลือแปดหนึ่งลบสองเหลือหนึ่งสามลบหนึ่งอันนี้ลบเดือนได้ไหมครับ นึงต้องไปยืมไปมา1ปีหนึ่งปีมีเกี่ิบสองเดือนส2บสองบวกหนึ่งเป็นส3 13าสา ม, สา ม, สามลบสบสาเป็น10บศนไม่ได้ลบหนึ่งแล้วเพราะหนึ่งเอาไปแล้วไปให้เดือนใช่ไหมครับศูนย์ลบอะไรครับศ4น ส, สี่ลบหสี่ลบหเหลือสองศนลบ0นเหลือศนเท่ากับ ครับนี่คือวิธีทําง่ายนะครับแต่ห้ามผิดนะครับเอา้าใครจะเอาแบบบวกไปครับไม่เอาอ่สอนสอนวิธีแบบบวกท่านไม่ต้องไปทํำนะครับเดี๋ยวพันสัตว์สนตกอีกแบบบวกทํำยังไงครับสําหรับผู้ที่บวกลบเลขไม่เป็นแต่นับนิ้วเป็นครับโบราณเขาใช้แบบบวกครับอันนี้ท่านไม่ต้องจำ น, นะครับแต่ให้รู้ไว้ เอาปีบวชนะปีบวชแล้วก็ปีบวชนี่ครับเอาอย่างนี้ครับในปีบวชนี่ปีบวชนี่สองพันร้อยอะไรครับสี่สิบนะ ไอ้เพื่อนปีปีบวช2561ไม่ต้องนับ2000ปีเกิด2500อะไรครับ40ก็ไม่ต้องนับนับอะไรครับนับระหว่างปีบวชอ่ปีเกิดกับปีบวชเพราะว่ามันเต็มปีไงเรายังไม่นับก่อนปีปีเกิดก็ยังไม่เต็มปีอย่าเพิ่งไปนับ ปีเกิดไม่เต็มปีมันจะเพิ่งไปนับปีบวชไม่เต็มปีไม่นับนับไอ้ที่เต็มปีก่อนเกิดปี40ไอ้ที่เต็มปีเกิดวันที่อะไรครับ13มีนาเพราะฉะนั้นไม่เต็มปีถ้าเกิด1มกราคมเต็มปีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปนับนับปี41เต็มปีไหมครับปี41ถึง60กี่ปีครับ 4ี่หนึ่งสี่สองที่นับนิ้วเลยนะหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สาสี่สี่สี่ห้าสี่กสี่เจ็สแสี่เก้าห้าศูนย์สิบแล er ้วนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม้าสี่ห้าห้าห้าก้าเจ็ดห้าแปดห้าหกศูนย์ี่สิบปีเนไมเอาเฉพาะในระหว่างนี่แะมันยี่สิบแล้วเนี่ยสบายๆแล้วแหละแต่ทีนี้ยังเหลือปีเกิดไอ้ทีนี้แหละมันกี่เดือนนะครับ เอานี้วิธีนับก็คือนับตั้งแต่วันที่สิบสามมีนาคมสิบสามมีนาคมเต็มเดือนไหมครับเพราะฉะนั้นสิบสามมีนาคมถึงสาสิเอ็ดกี่วันครับนับนิ้วไปสิบแปดวันครับแล้วจากเดือนมีนาเนี่ยมันยังไม่เต็มมันสิบแปดวันแล้วเมษาไปถึงธันวาคี่เดือนครับเก้าเดือนเอให้รู้วิธีทํานะท้านไม่ต้องเป็นหน้าเหลืองงปีบวชนะครับ เกิดวันที่เท่าไรครับปีบวชบวชที่เท่าไรสามสิบเอดครับสาเมกราคมหนึ่งมกราคมานสามสเมกราคมกี่วันครับหนึ่งเดือนพอดีครับเพราะฉะนั้นปีบวชคือปีหกหนึ่งหนึ่งเดือนปีเกิดเก้าเดือนสิบแปดวันระหว่างนั้นยี่สิบปี เอาเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเอาสิบแปดใช่ไหมให้รู้วิธีครับท่านไม่ต้องไปจำนะครับเดี๋ยวงงไปต่อครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพันสับสนข้อแปดครับนับเวลาสำเร็จยติจจตุกรรมตอนไหนครับ <c oughs> ถ้าบวดเดนตรงไหนครับ <c oughs> ตาตียำปีสังพังสระนังขจามิอ่าเอา่อ ข้อ5ครับถ้าไม่ได้กําหนดเป็นอย่างอื่นการฝึกซอ้อมอบรมนั้นให้เป็นไปตามวิธีการให้บรรณาธิการผู้สมทแห่งลัที่นิกายส่งและที่นิกายส ง, ท า, ยสงทางวิทยุการนการเขาใช้อะไรครับเอสาหังของเราแต่เดิมก็ทั้งอุ ก, กาศาเ อ, อกาสาหังตามจารีตแต่ตอนนี้เวลาสอบที่นี่ให้ใช้อุ ก, กาสะครับแบบเดิมนะครับอุ ก, กาสะ คือสัพพ น, นุขขณิสรณนิพพานะสัจฉิกรณัตถายะมีใช้ในประเทศไทยมหานิกายและสยามนิกายลกาวงนะครับที่ผมเล่ามาแล้วเนี่ยสัพพ น, นุขคณิสรณะแบบกาสะเนี่ยใช้ในประเทศไทยมหานิกายและก็ศรีลังกาสยามนิกายถ้าพม่านะครับสกลวัตตะทุกขณิสรณนิพพานะสัจฉิกรณัตถายะกคล้ายๆกันพม่า นี่ให้ท่านดูรูปพระอุบาลีนะครับที่ผมไปถ่ายมาพระอุบาลีไปอยู่ลังกาเขาว่าเป็นพระลกาไปเลยครับสยามูบาลีมหานิกายสุดท้ายครับคําว่าสัพพทุกข์นิสระนัเนี่นะครับเรียนแบบการคําขอขาการที่พระเจ้าให้การอุปสมบทแก่พระอัญญาโกลทัญญะครับประถมนาสาวก เอหีภิกขุสวากขาโตธรรมโอจระพรหมจรยิยงสัมมาทุกขะสะอันตากิริยายะพระพุทธเจ้าตรัส ก, กับอัญญาโกฏัญญะว่าภิกษุจงเป็นภิกษุมาเถิธรรมะเรากล่าวไว้ดีแล้วท่านจงพืชพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบสัมมาทุกขสะอันตากิริยายะเราก็มาเป็นสัพพทุกขันิสระนะอันนี้คืออนุโลมตามการบวชของพระอัญญาโกฏัญญะเอสาหังล่ะครับ เอสาหังอนุโลมตามคำขอบวชของปัดฉิมมะสาวกครับปัดฉิมมะสาวกคือสุพทักษเนี่ยนะครับปัดฉิมมะสาวกเนี่ยท่านขอบวชว่าเอสาหังพันเตภะกวนตังสรณักะจามิทำบันจารสังคัญจักแต่เมื่อพรเจ้าประนิพันธ์มาแล้วจึงเติมคำว่าสุจิรปริพุตังปิตังเอสาหัง พันเตสุจริระปิพัตม์ปิตังพระขวันตังกรณังขจ า, ามิทำมันจะสังขจักเพิ่มไปนิดเดียวครั บ, รบอันนี้ปัจฉิมภาษาบกสุดท้ายครับส่งบัญชีสัตว์ที่วิหาริกเมื่อไรจําไว้ก็แล้วกันนะครับหมดเวลาครับขอยุติเพียงแค่านี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะศาสขอเดชะบารมีคุณประสีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งปวง จงมาเป็นตะบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ทุกรูปทุกท่านสามารถสอบไล่ได้เป็นพระอุปชาปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นกำลังของพระศาสนาตลอดกาละนานเทิน